ในวัดป่าสุโกโตนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละถวัดเย็นถวัดเช้านะเป็นกิจวัตรของชุมชนอย่างวันนี้เราได้ยินเสียงคล้องดังติศาลาหอไตรอันนี้มันเป็นเสียงหลักนะถวัตเจ้า ถ, า ว, าถาวัดเย็นเสียงคล้องเป็นมงคลนะถ้าเป็นสมัยก่อนออกศึกตีคล้องก็แสดงวชินชนะนะตีคล้องรองเปล่าแห่แกันคลนะ้องชัย ข้างหน้ามีเสียงะระฆังดังก็เป็นสัญญาณบอกปกติมันจะบอกถึงการที่เราจะต้องไปฉันเช้ารวมตัวกันแต่ว่าวันนี้นเป็นสัญญาณะระฆังเพราะว่ามีการบวชเนนะภาคฤดูร้อนก็เป็นวันเนี้ยวันเดียวกันที่เรามารวมกลุ่มปฏิบัติประจําเดือนแล้วก็ก็บวชเนนประจําปนะีภาคฤดูร้อนปกติจะใช้เดือนมีนาแล้วล่นะจนถึง 11เมษาหรือสิบสอเมษาปีนี้เนื่องจากมันน้ําท่วมโรงเรียนมันเลื่อนการเรียนการสอนโรงเรียนเปิดเติมปิดเติมมันเลื่อนออกไปมันก็เลยแบบนี้แหล ะ, ะประจวบเหมากับวันนี้พอดีทีนี้การธรรวัดสจดมนันคิจวัตรอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าไม่จําเป็นว่า จะเป็นผู้เก่าวผู้ใหม่ปฏิบัติพระยอมมาเลยไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเป็นกิจวัตรที่เราจะต้องมาทํากัน mm hmm. ชอบไปชอบไม่เกี่ยวอีกแนละ mm hmm. จะทําแบบไหนก็ไม่เกี่ยวยเกี่ยวเขว่ามันเป็นกิจวัตรชุมชนต้องมา mm hmm. เป็นความร่วมมือเพื่ออะไรอันนี้เพื่อเป็นการสืบทอด mm hmm. เล็อกๆอย่างคือเป็นการแก้อารมณ์กัน mm hmm. การมาเห็นหน้า mm hmm. เห็นตาอะน น, น, นเป็การแก้อารมณ์ปฏิบัติธรรม ทำไมมันแก้ยังไงก็เวลาเราติดอารมณนะ์อารมณ์ค้างอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งเวลามันเข้าไปในอารมณ์เช่นคนติดอารมณ์โกรธไงนะมันค้า ง, นะางพอมาทําวัดสดมันกูบาอาจารย์เห็นเขาจะแก้อารมณ์ให้นะไม่ต้องเสีเวลานานมันะเป็นอย่างนั้นเลยหรือบางทีเนีเราสังเกตได้ว่าพอทําวัดสดมันมีบทสวดบางบทบางประโยคบางคํามนะันสดุดเช่นวะันนี้นําทําวัดเนี่ย ใช่แบทบที่แล้วราพาลาหาเวปันจักขันธาเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเราเนะี่ะมีพาละนะเฉพาะตัวเราเองกับตัวเราเองก็โหนักหนาสาหัสอยู่แล้วมีกายกับทุกปกายทุกคนนะแต่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นกายเราเป็นก้อนทุกะเห็นว่าเป็นก้อนสุกแล้วเราไม่เคยสงสารกายของเราใช้มันทะบี้ทะบันเลยเที่ทยวกลางคืนเที่ยวเตะเลล่อนกลางคืนก็ไปนอนะ กินเหล้าเมายายัง่งเอาเหล้าเอาเบอรีให้มันอีกนะทั้งที่ แ, ทแค่มันหายใจเข้าหายใจออกมันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วแค่กินข้าวนะแค่ย่อยอาหารนี่มันก็เหนื่อยนะหมดพลังมันทุกข์หนักหนาสาหัสอยู่แล้วต้องกินต้องขับถ่ายต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องสารพัดเลยเอาธาตุมาเติมธาตุต้องปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลาธาตุ ถ้าใจธาตุหนึ่งมันมากเกินไปก็ป่วยอย่างเงี้ย น, นะเราก็เลยเนี่ยแหะมาเห็นมันนะมันเป็นภาระทีเดียวทาไม่รู้จักเนี่ยปนในบัตรมันทั้งวันทั้งปีทั้งชาตินะ่นะไม่รู้จักจบจากสิ้นกันนะจิตใจก็เหมือนกันนะมันเป็นภาะราะพอสมควรเนะดี๋ยเพราะนะการคิดการนึกการปรุงการแต่งอารมณ์ที่มันจรไปจรมามากมายแล้วกันคุ้มดีคุ้มลาย พอเรามาเริ่มต้นทำว่าัดสวดมนละ่ะได้รู้จกักรู้จำาล้โอ้มันเป็นภาระหรือนี่ได้ลองไปไปฏิบัติ ด, ดูโนะดวยว่ากลุ่มมีเวลาเจ็ดวันนะลองบางคนอาจจะไม่เคยลองมาก่อนัางทาง่านเป็นชาวพุทธตามสมนตะเวียนบ้านมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้ว่าผู้ส า, านหนานะเขาสอนอะไรพครั้งนี้แนะนะบางคนบางกลุ่มเป็นโครงการของทางโรงพยาบาล ก็เรียกว่าบางทีโครงการต้องร้ออนต์อย่างเงี้ยก็คือบังคับมานะละถ้าจะพูดให้ตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าประโยชน์หรือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เรามาปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเสียสตางก็ยังให้รางวีรางวันอยู่เงินรายวันเนงินเดือนอะไรก็ยังให้ดูไม่ถือเป็นวันลาได้โอกาสเราก็จึงต้องมาทําวัดส่วนบรู้จักกัน ว่าชีวิตของเาคืออะไรกันแน่อีกอันก็คือเห็นไหมว่าบทสวดที่พาสวดบทพิเศษอดีตอนาคตความคิดไปอดีตคิดไปอนาคตที่เราสวดอาตีตังมันเป็นอะไรกันแน่น่ะอดีตที่เราชอบหลงก็ไปเผลอไปล่วงเอาสางความสุขเก่าๆมาเสพอย่างเงี้ยเคยไหมญาติโยมคิดไปในอดีตล่วงเอาสางความสุขในอดีตจนมันตายเน่าไปแล้ว เอามาเสพใหม่เคยภาคภูมิใจไอ้นั่นไอน้นี่ไอน้อนวลสมัยชั้นสาวๆนะสมัยชั้นเป็นเด็กนักเรียนนะนะเคยสอบผ่านอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนว น, นมามันไปนล้วงเอาซาก ค, ความสุขเก่าๆมาเสพมะแล้วความสุขที่ปัจจุบันละหายไปไหนสุขตรงหน้าเนี่ยคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราไม่ให้ความสําคัญก็เลยหรือเวลาที่ดีที่สุดเวลาเนี่ยเราไม่ให้ความสําคัญมันเลยหรือ แปรเดชล้วกนะกลุ่มดุดดื่มนั่นเป็นกับดักของความทุกข์ทั้งนั้นแหละบางที่ชอบเผลอหลงโน่นวิตกกังวลไปไหนนาคุศกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่นทุกข์ก่อนทุกข์กลัวก่อนกลัวใจหายก่อนของหายมันเป็นทุกข์ก่อนทุกข์กลัวว่าเวลาเราจากกันจะเป็นยังไงคิดแล้วก็น้ําตาซึม ถ้าแม่จากลูกถ้าพ่อจากลูกจะเป็นยังไงก็คิดไปเนี่ยถ้าเกิดการงานมันด่วนโลมจะแตกีคิดไปขนาดานนั้นภัยธรรมชาติมากมายแหลือกินจนเกิดเรียกว่าโลกจิตนะโลกจิตโลภศาสตร์จิตหลอนจิตหลอกตัวเองวิปลิตวิปลาดไปมันไม่ได้อยู่โลกความเป็นจริงที่ปัจจุบันไปอนาคตกับกังวลห่วงใย แอดเตกัอารายอาวอนเปัจจุบันก็วิภาควิจารเห็นอะไรก็คิดคิดคิดวิพาควิจารณไปไม่จบไม่สิ้นครั้นี้บัดนี้เรามานั่งที่วัดป่าสุขโตนะวิธีฝึกให้จิตของเรารู้อยู่กับปัจจุบันทํำยังไงทํำยังไงก็ได้พูดไปแล้วก็คือให้เคลื่อนไหวมือสิบสีชังหวนอันนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เลยของวัดป่าสุขโตตรงนี้เลย เบื้องตน้นเคลื่อนมือรู้สึกตัวทําให้เป็นกันแล้วกันแหละยืนยันจริงๆเบื้องต้นเนี่ยต้องเคลื่อนมือรู้สึกตัวเคลื่อนไหวเดินจงกรมรู้สึกตัวที่นี่นะตจะไปที่อื่นจะไปทําอะไรทําได้ก็ทําแต่ต้องไปที่อื่นเปลียนร่วงเข้าให้ตรงให้ชัดจนครูบาอาจารย์ก็รับรองว่าใช่อย่างเงี้ยแต่เราค่อยพูดต่อแต่ถ้าจะรับรองตัวเองก็อย่าเพิ่งนะเพราะว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวขอ้ข อ, งของกับคนหมู่มากนะ เรามีอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์หรือว่ามีอาจารย์เราก็เกี่ยวข้องแบบนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทําแล้วไม่ทุกข์ก็ทําไปแต่การสื่อการบอกในฐานะที่เป็นชุมชนเป็นเรื่องของการเผยแผ่ที่นี่วัดป่าสุตัตเป็น1นึในจํานวนวัด 20,000 ืกว่าวัดนะและเป็น1ใน4ี่สดวัดแต่นะเป็นของประเทศไทยนะที่เผยแผ่วิธีการนี้ได้เลยที่ไหนก็ได้ ทางมหาเถระสมาคมได้นะเรียกว่ายอมรับรับรองนะแล้วก็เป็นหนึ่งในสุขในในสุกตัวนเป็นหนึ่งในชัยภูมินะที่เป็นวัดกรรมฐานมานดับหนึ่งนะอันนี้ทางพุทธจังหวัดก็รับรองอยู่นะมีโทรศัพท์มีอะไรมากมายที่สอบถามกันมาทางพุทธนะจังหวัดของชัยภูมิเนี่ยว่า อาจารย์ไปสารเป็นใครหรือว่าเขียนเป็นใครหนะลวงพุทเทียนยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ที่วัดป่าสุขโตเป็นวัดของหลวงพุทเทียนหรือถ้ามาจะมายังไงนะก็สอบถามกันหรือบางทีก็ไปดูใน Google อนะินเทอร์เน็ตในนี้ใครมาจากอินเทอร์เน็ตมั่งยกมือขึ้นนะก็มีอยู่นีโดยเพราะกลุ่มที่มาเองนะมาจากอินเทอร์เน็ตทางกลุ่มโรงพยาบาลก็จะมีทางผ อ, อบ้างหรือว่าบุคลากรมาแล้วเห็นว่าประโยชน์เกิด จริงๆก็เลยนะแนะนำให้มากันเป็นร้0เอร์เซ์บ้างอะไรบ้างนะพระท่านมานั่งที่นี่แล้วก็รู้จักไปนะวัดป่าสุขกโตเนะีสัมผัสลริ่ไปอย่างนี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรอลังการหรอกนะแต่ว่ารูปแบบการปฏิบัติตัวเนี้ยเราต้องทำความรู้จักกันืออะไรกันเนี่ยถอดรหัสนออกมาถ้าเราเคลื่อนมือเดินจงกรมปฏิบัติธรรมอย่างเช่นวันนี้พา ร, รนะำเนี่ยจกะทังสภาวะภายในของเรานะมันเหมือนถูกขยา่า บนทิงเครื่องบนทินเครื่องเศร้าหมอเหมือนกับถูกกระตุ้นถูกกวนฟุ้งขึ้นมานะแล้วคุณจะเกี่ยวข้องยังไงกับมันจะใช้กรรมกับมันยังไงตัดวิบากยังไงเพราะว่าความคิดนะแต่ละขณะแต่ละขณะขที่มันไหลออกมามันคืออะไรกันแน่นะมันมีคำตอบอยูนะ่แต่ว่าไม่ใช่ตอบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตอบเดี๋ยวนี้เพราะนั้นเนนนะ ที่เขาอยู่สลาหน้าก็จะทำอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่ถ้าเป็นอาตมาอยู่อามาจะพาทำสิบสชั่ววอย่างเดียวมันละถ้าคำตอบตรงนี้ไม่เกิดนะก็ถือว่าล้มเหลวมันจะเป็นแค่การละชั่วทำดีแต่ถ้าเข้าสู่ตัววิปัสสนาคือทำกรรมฐานในรูปแบบจนมันได้คำตอบออกมาและเป็นสัจธรรมเลยนะคือเหมือนกันก็คือรู้สึกก็คือรู้สึกกระเคลื่อนวางมือ เวลามันมีความคิดมันก็วางความคิดใม่ใม่มันรู้สึกที่การเคลื่อนมือรู้สึกนะไม่ใช่อยู่มันก็ไปรู้สึกในเวลาคิดนั่นะเหมือนกันเพราะการดูที่กายนะมันก็เห็นความคิดหลไประวตเด็ที่เมื่อกี้เราสวดโอ้โหเรื่องเน่าเนอะไรมาลุ่มมาเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ไปในอนาคตมันจะคิดทําไรของมันยังไม่ถึงเวลาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีสติคิดได้คิดไปอนาคตวางแผนงานวางได้เจตนาคิด ทำได้แต่ว่าคิดแล้วมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องตรงอย่างที่เราคิดนะหรือว่าจะต้องไปทําอย่างที่เราคิดนะคิดแบบตุ๊กตาวางแผนเอาไว้วางได้แต่ว่าท้ายสุดจะได้ทําไม่ได้ทําไม่เป็นไรนะตุ๊กตาวางแผนงานพร้อมที่จะเปลี่ยนแผนงานอะไรที่ดีกว่าก็เอาสิ่งนั้นนะนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงนะมีประโยชน์มากๆการฝึกความรู้สึกตัว กระทั่งรู้เท่ารู้ทันความคิดหยิบความคิดมาใช้คิดและพูดคิดและทำทำหน้าที่การงานต่อไปนะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าอันดับแรกต้องรู้จักสภาวะของรูปนามซะก่อนนะการเคลื่อนมือเป็นรูปเป็นนามยังไงต้องให้รู้จักนะแล้วก็รูปนามที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยนะแต่ลักษณะแต่ลักษณะนเนี่ยมันเป็นรูปธรรม ก็คือมันทํางานนะมันทํำยังไงมันเดินมันเดินยังไงมันนั่งมันนั่งยังไงมันเป็นดีเป็นชั่วยังไงเป็นบุญเป็นบาปยังไงเวลามันเคลื่อนตะละขณะเนี่ยบางทีมันเคลื่อนไปตบยุงเนี่ยอย่างเงี้ยในชุมชนนี้ต่อหน้าพระต่อหน้าสายตาหลายคู่อย่างเงี้ยหมายความว่าไงหมายความว่ามันก็เผลอไปแล้วล่ะแต่ถ้าคุณบรรลุธรรมแล้วหมายถึงว่าตบเป็นอาการเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องรับเวรรับกรรมอันนั้นก็เรื่องของคุณแต่ถ้ายังไม่สงสัย ไม่ใช่ยังสงสัยนะเรื่องของบุญของบาปนะเรื่องของกายของใจของรูปธรรมนามธรรมยังนะไม่เข้าใจเรื่องราวของพระพุทธศาสนาตรงนีน้เริ่มต้นปฏิบัติฝึกขัดในรูปแบบนะให้ชำนาญซะก่อนนะการยกมือเคลื่อนไหว14บสีชินว่านะจะได้เห็นแล้วอ๋อขัดห้าเป็นอย่างนี้นขันห้าที่เมื่อกี้เราสวดกันเป็นภาษาในหนังสือนะ บางที่ฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดพระท่านพูดในภาษาศาสนานะีอันนั้นเป็นภาษานะที่สื่อกันได้ยินได้ฟังเฉยๆแต่เป็นอาการที่เราจะต้องสัมผัสมารู้จักตัวเองนะกายฟังศอกยาวานะครื่องแล้วมีจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมอาศัยอยู่ด้วยกันนะเป็นตัวชีวิตชีวานะมันคืออะไรกันแนะนะ่เวลามันโกรธมันเป็นยังไงเวลามันทุกข์มันเป็นยังไงนะ เวลาใจมันดีนเป็นยังไงนะเวลาไม่ทุกข์เป็นยังไงลองสังเกตเธอเวลาที่เรามาที่วัดป่าสุโกโ ต, โตนะเจ็ดวันเป็นวันที่เราจะต้องปฏิบัติหวันเต็มเต็มเนี่ยเราจะได้รู้ทันทีนะปัญหากระทางออกนะ่ะมันคู่กันเลยนะเวลาเรามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามส่วนใหญ่อยู่ในความคิดอยู่ในสมมุติทั้งหมดเลยนะส่วนทางออกทั้งหมดน่นนะก็เวลาเรารู้เท่ารู้ฐานอารมณนะ์รู้เท่ารู้ทนันความรู้สึกตัวเบื้องต้นนะ มันเป็นทางออกทุกๆปัญหาเลยเหมือนกัน <Yeah. S 1> ปัญหามีย่ามาแก้อะไรมราหรอกมารู้สึกตัวก่อนทำเป็นไหม <Yeah. S 1> ปัญหามีไม่ต้องไปสนใจปัญหาจะแก้อย่างไรไม่ต้องแก้อย่างไรแต่ใจเราเป็นปกติก่อนนะทำได้ไหม <Yeah. S 1> ปัญหาส่วนใหญ่ยี่มีปัญหาอะไรที่เราทาให้เราทุกข์ <Yeah. S 1> ตัวเราเองทำตัวเองได้นะ <Yeah. S 1> เช่นอันดับหนึ่งปัญหาเรื่องการเงิน ทุกคนก็หวังว่าเวลาเรามีเงินจะมีความสุขหวังอย่างนั้นนะแต่ท้ายที่สุดจริงไหมหาจนในยุคปุณนี่พอใช้แล้วหรือยังยังฮะทุกคนก็ต้องการยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็คือปัญหามันเกิดจากเงินทองที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเวลาเดี๋ยวเงินบาทแข็งเดี๋ยวเงินบาทเฟ้ออ่อนตัวอะไรสารพัดเมื่อจะเกี่ยวกับการหาเงินหาทองเราใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ตอนนี้รับบานประกาศสามร้อยบาทในกธธรุงเทพเขตวริมลนทนนะยังไม่เป็นทางการนักท้ายสุดขอมือขึ้นรอไว้แล้วนแน่ใจว่าหาแล้วมันจะพอใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนวิ่งไล่จับเงาตัวเองทุกประการกันเป็นหนี้เป็นสินสรกรย์กู้เพียบธนาคารกรยา็ย้มโทรให้เราเป็นลูกหนี้หรือบัตรเครดิตยังมีเกียรติอย่างี้ มีเกียรติมากเวลาถือบัตรเครดิตนะเป็นลูกหนี้ก็ยังไม่รู้ตัวเองนะเราก็ยอมเป็นนไทยสุดก็คือไ ม, ไ, มไม่น่าไปกู้ก็เลยคิดมากหลายคนเศรษฐกิจลากยาล้มเหลวค่าตัวตายเป็นแถวเลยไม่มีทางออกจริงๆก็บอกแล้วว่าเนะเวลาเงินไม่พอใช้มารู้สึกตัวก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความสันโดษขึ้นมาเกิดความพอดีขึ้นไหมนะเพราะจิตใจเรามีความสุข มันก็เลยไม่ได้ต้องการความสุขที่เอาเงินไปซื้อนอกตัวเข้ามาไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลความสุขเพราะว่าสังคมบางทีเราก็แทนที่จะมีความสุขกลายเป็นเรื่องของความทุกข์มีลูกทีแรกว่ามีความสุขนะวันแรกนะยิ้มทั้งน้ําตาเลยดีใจมีลูกขึ้นมาเอากองอกกินนมกินน้ําเหลืองถือว่าภูมิต้านทันเด็กแข็งแรงแต่มันโตขึ้นมาโอ้โหมันสุดๆุดเลย มันด้ออย่างงี้ยนะมันไม่ไหวสอนก็ไม่ฟังบอกก็ไม่เชื่อใช้เงินก็เก่งอย่างเงนะี้ยสมมติได้ฟังหลายคนกระทุกเพราะว่าสังคมพครอบครัวของเราในนี้ใครทุกข์เพราะว่ามีลูกมีสะ ม, มีมีผู้บังคับูมิคําชาทุกข์กับบุคคลอื่นมัน้งยกมือขึ้นสิยกมือแล้วย่องสูงอ่าอ่ ะ, อะเอามือลงใครทุกข์เพราะการเงินมัน้งยกมือขึ้นสิ เออก็ทุประการกงิ น, น, นมันก็หาท่าอะไรก็ไม่พอใช้เรื่องลูกเรื่อ ง, เ ร, องเรียนสารพัดยกมือขึ้นแล้วเออมือลงทุกปัญหาสุขภาพตัวเองโรคภัยไข้เจ็บมารุมเล่าแล้วเกินตัวเองแก่ตัวเองมันลุกเอาโวยนั่งเอาโวยโอ้ชักจะเป็นปัญหาแล้วยกมือขึ้นสุขภาพของตนของตนเป็นโรคภัยไข้เจ็บมือลง นะเพราะฉะนั้นเราจึงเนี่ยเราต้องป้องกันกันไว้ดีกว่าล้อยทุกมากๆแล้วก็เข้าตาจนขึ้นมาถึงขั้นฆ่าตัวตายนะหลายคนุ่มเป็นอย่างนั้นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแนะต่้ายสตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะก็คือไกลอะไรล่ะไกลรถก็ให้รถชนไกลกรองไกล้แม่น้ํากระโดดน้ําตายไกล้ยาหยิบยามากินไกลเก้เชือกเอาเชือกผูกก็ตายไกล้ปืนไกล้อาวุธกั นะปะหันประหา ร, หา ร, หารตัวเองนะสารพัดสารพัน์บางคนก็ตรอมใจเลยนะเวลามีปัญหาเยอะๆตรอมใจเช่นทุกเพราะสามีนีนอกใจหรือว่าภรรยานอกใจหรือว่ายาล้างนะครับคยาล้างมากมายเหลือเกินอว่าทุกข์กันแล้วกันหนละหลายๆปัญหานะขันห้าของเราเลยคือก่อนทุกข์จริงๆไม่ใช่อะไรมากมาย ขันห้าของเราเนี่ยแหละ เ, เรามีกายก็ทุกข์กกายเรามีจิตมีใจก็ทุกข์กจิตใจเนี่ยแหละวิธีคิดของเราเนี่แหละคิดไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของความไม่ทุกข์คือ1คิดให้เป็นนะถ้าคนคิดเป็นแล้วไม่ทุกข์ไม่ต้องมาไปปฏิบัติธรรมที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปช่วยโลกไปเลยทําดีมีเมตตาแจกของสองตะเกียงไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือบางคนเนี่ยคิดว่าใช่แต่พอใกล้ตายทันโอ้โหกลัวขึ้นมาไม่ใช่ซะแล้วเจอข้อสอบสอบตก บอกว่าปล่อยวางได้ว่าท้ายสุดใกล้ตายปล่อยวางไม่เป็นตรงนี้แหละต้องมาฝึกความรู้สึกตัวเจริญวิปัสนาจทั้งนะมันเข้าใจเข้าใจว่าอะไรคือขันห้าคือกายคือรูปขันรูปธรรมมันคือจิตเวลาไปคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันเป็นยังไงมันมีความจําได้หมายรู้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะมันมีอะไรอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราเป็นอารมณ์ ที่มันก่อตัวขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักมันเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้สอนแม่ก็ไม่ยอมสอนเรื่องแบบนี้โรงเรียนครูไม่ยอมสอนอีกทางหา่างจําเข้าไปจําเข้าไปจําเข้าไปจำเข้าไปนั่น เ, เนี่ยวิท ย, ศ า, า, ยาศาสตร์เป็นอย่างเงี้ยคณิตศาสตร์เป็นอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเป็ น, นกก อ, อย่างงี้ภาษาจีนเป็นอย่างเงี้ยนะจำเข้าไปจําเข้าไปจําเข้าไปนี่เทคนิคการต่อสู้อย่างเงี้ยวิชาศิลปะป้องกันตัวพละอย่างเงี้ยจาเข้าไปเงี้ยไทยเป็นงไงเครียดพอเครียดแล้วก็ไม่อยากเรียน ก็ไปรวมตัวกันรว่วมกลุ่นรวมแก๊งกันสารพัดทําอะไรต่างๆเรียกร้องความสนใจจากสังคมเพราะฉะนั้นเราก็จึงนีมาเรียนรู้ซะมาวัดวัดบางวัดก็ไม่ได้สอนชวนทําบุญทําทานพุทธพาณิชธุรกิจบุญต่างๆมากมายเหลือเกินมาที่นี่ไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมานั่งแล้วก็รู้สึกตัวเลยแล้วดูสิว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาโกหกหลอกลวงกันจริงเปล่านะ ใจมีสติอยู่กับกายผลลัพธ์กับปกติของเล็บศีลเดียวซิว่าเวลาเราเอาไปปฏิบัตินีมันจริงหรือไม่เวลาเรารู้สึกตัวจิตมารู้สึกตัวเนี่ยมันไปมันไปตามความคิดหรือไม่ลักษณะที่มันคิดเนี่ยมันรู้สึกตัวหรือไม่ถ้ามันฝึกกระทั่งว่ามันมีสติมากๆาดียวซิมันจะเป็นยังไงหนึ่งวันสองวันสามวัน4ี่วันนะนะเราก็จึงในละไม่นะ ปอเวลาละนะหลังจากที่เรามาวัดป่าสุกโตถึงวัดป่าสุกโตนะได้ที่พักเสนาสนะนะอาบน้ําอาบท่านะรู้ที่กินที่ถ่านยะรู้รูปแบบการปฏิบัตนะิเราก็จะได้นํามาฝึกหัดตนต่อไปนะตอนนี้ทุกคนลองเอามือซ้ายมือขวาวางที่วเ ข, าเขา่านะอันนี้คือรูปแบบการปฏิบัติไม่ต้องไปเสียวเวลากับเรื่องอะไรมานทั้งหมดนั่นแหละ อาตมาจะรับผิดชอบให้เรื่องแบบเนี้พลิกมือขวาตั้งรู้สึกตัวรู้ไหมล่ะตอนเนี้ยกขึ้นไปมีสติเลิกรู้ความรู้สึกตัวมาวางที่สะดือรู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวขึ้นมาทับหลังมือขวารู้สึกตัวเคลื่อนมือขวา้นมาที่ อ, อกรู้สึกตัว เคลื่อนออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวคว่มลงรู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่อกรู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวคว่มลงรู้สึกตัวอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติแบบรัดลัดที่มันจะพาจิตใจของเราไปสู่สภาวะปกติของจิตและในปกติของจิตนะมันก็จะมี สติศีลสมาธิปัญญามากมายเหลือเกินในความเป็นปกติตรงนั้นเป็นภาวะนะที่จิตของเรานะต้องมีอยู่ทุกคนนะต้องให้มันปรากฏขึ้นมานะและเป็นมาตรฐานในการวัดนะวัดสุขวัดทุกขนะเวลามันสุขเราก็จะได้ไม่หลงสุขหรือเนื้อลืนตัวเวลามีทุกข์เราก็จะได้ไม่จมอยู่ในความทุกข์นะ จนกระทั่งอยู่ในโลกนี้ได้ยากอย่างี้นะมันจะมีตัวสภาวะของปกติของจิตเป็นที่พักพิงนะทุกครั้งนะมันจะเกิดความอบอุ่นนะเกิดความมั่นอกมั่นใจนะความอิ่มอกอิ่มใจนะตรงนี้แหลนะเราก็จะต้องฝึกกันหนึ่งวันสองวันสาวันที่มาที่นีนะ่จนครบวันกลับเลยนะมีการเดินจงกรมด้วยถ้าเรายกมือแล้วก็เมื่อยนะ ลราก็ลดขึ้นแล้วก็เดินจงกรมเดินไปเดินกลับนะเทคนิคปฏิบัตนะิเดี๋ยววันหลังๆค่อยพูดกันอีกทีนะึตอนนี้เป็นว่านะขณะที่เรานะนั่งอยู่ขณะนีนะ้เรามีความรู้สึกตัวนะกับการกระดิกนิ้วการยกมือ14บสี่จังหวะหรือว่าการฟังนะการฟังก็รู้สึกตัวได้นะเวลาเราฟังนะจิตมีสมาธิกับการฟังนะก็ได้เหมือนกัน ฟังแล้วนะได้ยินได้ฟังนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอ่ะไม่เป็นไรนะในมหาติปฐานสูตรนะหนทางเอกหนทางเดียวสู่การรู้แจ้งตรงนีนะ้มันมีคำภีร์รับรองอยูนะ่แต่ว่าหลวงปู่เทียนะจิตเทโพป ร, ปรามาจารย์ทางด้านการจรตรีปฐานนิสานตอ น, นบนบอกว่านะถึงแม้จะไม่มีในพระไตรปิฎกก็ตามแต่จริงๆแล้วมันมีนะ ประเด็นตรงนี้มีถึงแม้จะไม่มีในพระไตรปิฎกก็ตามการคู่การเหยียดการเคลื่อนการไหวมือแต่ละอย่งางไหวนะรับรองจริงๆทําอย่างนี้แล้วเนะี่ยมันสามารถนะทําให้เราเนะี่ยทุกลดลงได้จริงๆไม่ว่าจะมีความทุกข์เรื่องอะไรก็ตามเมื่อกลับมารู้สึกตัวเนะี่ยมันจะลดทุกข์ลงได้จริงๆถ้าทําเต็มที่3าปี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะสามปีนะนะก็เชื่อได้ว่านะทุกจะลดเหลือน้อยที่สุดหรือว่านะบางทีอาจจะไม่ทุกเลยนะเป็นอย่างนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมานะนะมันเป็นปัญญานะที่เร า, าสำ ม, มาสำโพธิญาณพาให้เราได้พบเจอกับความสุขเกษมสารอย่านงะีนะ้มันมีอยู่ในการปฏิบัติแบบนี้แหละ อันนี้ก็พูดให้ฟังเราพิสูจน์กานดูทุกคนทุกท่านเลยปกติเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีปัญญานะแบบธรรมชาติก็คือแบบสัญชาตญาณ น, นะแต่การเคลื่อนมือรู้สึกเนะี่ยเป็นสติปัญญาที่เป็นสติปัฏฐานนะเป็นปัญญาที่เกิดจากนะสัมมาสตนะิมันจะเป็นปัญญาที่พาเราพ้นทุกข์อย่างเงี้ยนะมนุษย์นี่จะมีปัญญามากกว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นช้างเช่นหมาเช่นวัวเช่นควาย จะมีส <kinda> like ัญชาตญาณแบบนั้นก็คือสติรักลูกสติกลัวตายสติหนีภัยมันเป็นแค่ธรรมชาติเรียกว่าคนก็ว่าได้แต่ถ้ามันเป็นสติปัะฐานนี่มันเป็นถึงพระเลยจิตใจมันจะฉลาดเกิดไหวพิปฏิพานขึ้นมาเห็นด้วยไหมมนุษย์เนี่ยมีปัญญามากกว่าสัตว์ในด้านใด กิดในด้านเราสามารถทำชีวิตของเราให้สะดวกเกิดความสะดวกเกิดกลไกเทคโนโลยีต่างๆซึ่งสัตว์มันพัฒนาสมองไปไม่ได้ขนาดนั้นออกไปนอกโลกก็ได้มนุษย์เราแต่สัตว์เดรัจฉานี่ไปไม่ได้่ ะ, ะเร่าอะไรฟังในฐานะที่มีเด็กอยู่จะเปรียบเทียบนะอุปมาอุปไมยม า, มามนิทานเรื่องนี้ก็ได้มนุษย์มีปัญญามากกว่าสัตว์ยังไงฟังไหมฟังไหมเออ ก็คือนะมีช้างนะช้างนี่เมื่อก่อนตัวมันก็จะใหญ่เนะท็มขันคือตามันก็ยใหญ่มากเลยเนาะสังเกตไหมช้างตัวยใหญ่หญถต่าตาเล็กนิดเดียวเองเมื่อก่อนนี่ตามันใหญ่มากเลยสาเหตุที่ตา ม, มเล็กก็เพราะว่านะม น, น, นุษย์น่ยขึ้นไปขี่บนหัวของมันขี่คอนะช้างนี่มันแพ้ขอ ง, งา้า เอาขอกาวจิกหัวมันเลือดซึมเลยช้างบางตัวเนี่โอ้มันเห็นขอกางนะมันไม่กลัวมันดื้อเห็นเงาขอกางก็ยังเฉยโดนสับป๊อกเข้าไปนอะเออเชื่องเลยบางตัวก็ต้องเอาจิกลงไปจนเลือดไหลซิปๆเห็นเลือดถึงเออเลิกไปยดอย่างเง้ยนะมันกลัวมนุษย์มันยอมให้มนุษย์ขี่ขอ้ขอกันนี้ มนุษย์ขี่คอเข้าไปในป่าไปหาของป่าขี่ช้างเข้าไปเสือก็เป็นเจ้าป่าในเสือสมัยก่อนเสือก็ไม่มีลายนะช้างกระตาโตใหญ่เท่ากระโดงนั่นแหละเสือก็ไม่มีลายมนุษย์ก็เออขี่ช้างเข้าป่าเสือก็เห็นช้างเข้าก็เลยถามเอ้ยเจ้าช้าง เจ้าตัวใหญ่ทําไมให้มนุษย์ตัวเล็กๆขึ้นไปขีกขป่กอวะช้างเลยบอกมนุษย์มีปัญญาไอ้เสือหัวล้อเฮ้ย <c oughs> จะบ้าหรือไงตัวมันเล็กกะจิตฤทธิขนาดนั้นนะปัญญาอะไรช้างก็บอกมนุษย์มันมีสมองสมองมันฉลาดมากเลยเสือหัวล้อใหญ่เลยเฮ้ยแ <c oughs> น่จริงลงมาสู้กับข้าหน่อยสินานช้างบอกว่อย่าเลยนะ มนุษย์มีสมองนะมันมีปัญญาเอาเถอะข้าอยากจะเจออยากจะลองสู้กับมนุษย์สักหน่อยอย่าเลยอย่าเลยนะมนุษย์ลงจากหลังช้างนะช้างก็ตกใจโอ้เสือเอ้ยไม่รู้เรื่องไงว่ามนุษย์มีปัญญานะมนุษย์ก็เดินไปหาเสือว่าเจ้าใช่ไหมที่จะให้ข้าเนะี่ยมาต่อสู้กับเจ้าใช่ มาเลยมาลองต่อสู้กันหน่อยมนุษย์ก็เลยบอกเอามากลัวเจ้าเนี่ยจะไม่สู้ฆ่านะสิเสือก็บอกถ้างั้นเอาเลยมาสู้กันเดี๋ยวนี้เลยมนุษย์ก็บอกเอ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยเดดีนั่นเจ้าเอาอะไรมานะเสือมันกลางอุ้งเล็บของมันโอ้โหนะเล็บคมกริบเลย มันแยกเขี้ยวคำรามโโกอย่างเงี้ยโอเ้โอเขี้ยวมันงงเลยมันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สมศักดิ์ศรีเออของเองเนี่ยนะจริงจริงเนะี่ยของข้าก็มีแบบของเองเลยเขี้ยวก็มีแต่ว่าเดี๋ยวให้ข้ากลับไปเอาที่บ้านก่อนได้ไหมนะเสือก็บอกว่าได้เลยช้างหัวล้อเลยเฮ้ยนั่นมนันนดเริ่มใช้ปัญญาแล้วเอ้เสือ ย, ยังไม่รู้ตัวอีกนะมนุษย์บอกว่า เจ้าคอยข่าอยู่ที่นี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวข่ากลับบ้านแป๊บเดี๋ยวทันนะเดี๋ยวค่าจะมาเสือก็บอกว่าได้เลยรีบไปรีบมากันแล้วกันค่าจะคอยอยู่ที่นี่แล้วไปเร็วๆนะมนุษย์ก็เลยบอกว่าค่ากลัวว่าเดี๋ยวกลับมาเนะเจ้าจะไม่คอยข้าอยู่ที่นี่นะจ้ะข้าเสียเที่ยวฟรีนะไปกลับมาโอ้ไม่ได้สู้กับเองกลัวเจ้าจะกลัวขี้ขาดนี้เข้าป่าไปซะก่อนมื เสือก็บอกถ้างั้นเจ้าจะทำยังไงล่ะเจ้าถึงจะมั่นใจได้ว่าข้าไม่หนีอา้าวเจ้าก็ให้ข้ามัดก่อนได้ไหมล่ะถ้างั้นรับรองได้ว่าข้าจะเชื่อว่าเจ้าไม่หนีไปเจ้าเสือเลยบอกก็ได้เลยก็เอามือไปอบต้นไมนน้ให้มนต์เนี่ยมัดเอาเชือกมัดช้างนี่ล้มกิ้งหัวเลาะใหญ่เลยขำเจ้าเสือทำไมโง่ขนาดนั้น โอ้ยเจ้าเสือเอ้ยเห็นไหมนะเห็นไหมนะหลงกลมนุษย์แล้วโอ้ยมันกลิ้งเลยนะการนี้มนุษย์กับ เ, เชือกมัดเสร็จเจ้าเสือก็ดิน้นใหญ่เลยกึกกักกึกกักเนี่ยเห็นไหมแน่นแล้วค่าหนีไปไม่ได้แล้วไ ม, ไ, มไม่หลุดหรอกแข็งแรงมากเลยเชือกที่เจ้ามัดเนี่ยไปรีบไปมนุษย์เห็นว่าเออมันแข็งแรงจริงๆนะๆเสือดิ้นถล่มไปหลุดแล้ ว, ล ว, ลวนะอาน่า่าไปก่อนนะบายบาย เสร็จแล้วก็เดินหันหลังให้ศพศพศพศพเจ้าเสือก็ตะโกนบอกนะรีบไปรีบมานะมนุษย์ก็ไม่ได้ไปไหนไกลเราก็หาไม้หม่อมอ ม, อมือแถวๆนั้นนะเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาหาเจ้าเสือแล้วก็ออกฟาดก็ให้ที่ตัวเสือเสือก็ร้องโห่โคก โ, โ, โ ด, ดนมนุษย์ตีไอช้ช้างหัวล็อกขาไม้เสือเสียเหลี่ยมมนุษย์จนได้หลยมนุษย์มันใช้ปัญญา มันยิ่งตีไหลช้างกับหัวลออ้อตอนนั้นนะจากตาใหญ่ๆเท่าก็ดออะด้เหลือเล็กเท่าทุกวันนี้นะยอมไหมเหลือเล็กนี่เดียวไอ้เสือมันไม่เคยมีลายมาก่อนตั้งแต่นั้นนะมนุษย์ตีจนลายพลอยทั้งตัวเลยโยมเออนะที่ไปที่มาของช้างตาเล็กไอ้เสือตัวลายเห็นยังมนุษย์มีปัญญาไหมโยมมีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เนี่ยมักจะโง่นะ สมัยก่อนนะขี่ช้างขี่มา้านะออกรบนะทํางานทําการลากทรงไปสร้างบ้านสร้างเรือนมนุษย์ฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์โง่มากๆนะช้างอยู่ในขวดนะไปเปิ rd, ดให้มหมกระทืบหน้าแบนไปหมดเนะสือสิงกระทิ้งแรดก็เหมือนกันเปิดมันกระทืบหน้าจนแบนแบนบวมไม่หมดเลยนะงานการทําไม่ได้เลยคุกฝุ่นนะเห็นไหมเออเนี่ยเราต้องมาฝึกสตินะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนโบราณแล้วไม่ใช่ยุค สมัยพรธเจ้า 2,600 ปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่โอโหคนฆ่าตัวตายกันมากเหลือเกินเพราะความคิดเนี่ยแหละนะมนุษย์0กพัาล้านคนฆ่าตัวตายทุกๆ40มินาทีนะเสียท้าเสียชั้นเสียเชิงความคิดของตัวเองนะขาดสตนะิอันนี้เป็นสถิติเลยนะวันที่13กันยายนนะเป็นวันรณรงค์การป้องกันฆ่าตัวตายโลกนะ ที่องค์การอมามโลประกาศออกมาชัดนะนะแล้วก็ตรงวันที่หลวงปู่เทียนเจียลนะโพประกาศออกจากความคิด13กันยายนเหมือนกันเป็นวันเดียวกันนะให้มนุษย์ทั้งโลกนะออกจากความคิดมารู้สึกตัวเพื่อที่จะได้เห็นความคิดรู้ทันความคิดหยิบความคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่านะมันไม่ใช่มาฆ่าคุณให้มันเกิดคุณค่าขึ้นมานะจะได้จันรโรงสร้างสารรค์โลกใบนี้ให้หนายอยู่นะ เป็นความสุขนะสันติสุขสันติภาพร่วมกันนะมีแต่ความสมัครสมาน ส, สามคัคคีนะมีแต่จิตใจที่มันเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทําอะไรก็ตามนะนึกถึงประโยชน์คนหมู่มากไว้หลักไม่ใช่เห็นแก่ตัวอย่างเงี้นะเพระาะฉะนั้นมาเปรียธรรมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะเราจะบอกว่าแหมพระมาะบวชที่ตั้งใครๆก็ตั้งแง่ดูเลยว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวอย่างงี้นะจริงๆไม่ใช่หรอก เรามาทำประโยชน์ตนกันมาฝึกตนนะเราอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขนะอยู่น้อยกินน้อยนะแต่ว่าฝึกหนักนะกินข้าวน้อยบัจจานนี่ฉันข้าวน้อยไม่เยอะหรอกนะนิดเดียวจริงๆที่นี่เขาฉันข้าวมื้อเดียวแต่ว่าโยมมาปฏิบัตินะ่ะโยมเอาอาหารไม่ให้พลรงกันเลยได้2องมื้อไอ้ดิเกลกข้าวลาบจริงๆเราอยู่กันมื้อเดียวเท่านั้นนะนะผอมโซหัวโตวหน้าดำไปเลยแต่ว่าเราคานึงถึงเรื่องจิตใจของเราที่เราเคยทุกข์เนะี่ย มีเงินทุกประเงินมีบ้านทุกประบ้านมีรถทุกปรนะปรถนะมีลูกทุกพระลูกนะมีตัวเองทุกประตัวเองมีอะไรก็ตามนะมันทุกประสิ่งนะั่นแหะเรามารู้จักมันคือทุกจริงๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยเราชอบเผลอไปตีความนะเป็นความพอใจไม่พอใจนะท้ายสุดก็กลายเป็นความทุกข์ชอบเผลอหลงนะไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนะเนี่ยเวลาเราฝึกกันให้ใจของเรานะีมามีสติอยู่กับกาย แต่แล้วผลลัพธ์จิตของเราจะเป็นปกติเรียกว่าศีลตรงนี้นะพัฒนายิ่งๆไปจะเกิดนะปัญญาญาณขึ้นมะาเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้อย่างถูกต้องไม่ต้องทุ่มอีกต่อไปนะปัญหาเกิดจิตลราปกติเข้าวุ่นวายจิตลราปกตนะิรัฐบาลจะเปลี่ยนนายกจิตลราก็ปกตินั้นะมันจะขึ้นลงแกจะขึ้นลงจิตก็ปกติค่าเงินมันจะเฟอ้อเงินมันจะอ่อนตัวจิตก็ปกติ ในอารมณ์เสียจิตเราก็ปกติลูกจะเดือดจิตเราก็ปกติรถมันจะเสียกลางทางจิตเราก็ปกติมาที่นี่ร่างกายเรานั่งมันปวดมันเมื่อจิตเราก็ปกติกายเราป่วยจิตก็ปกติป่วยกายใจไม่ต้องป่วยก็ได้เพราะนั้นการเคลื่อนมือสิบ่ั่ววามันจะเป็นคําตอบการวางกายวางใจขณะที่เคลื่อ น, นมันจะเป็นคําตอบว่าเราสามารถปฏิบัติได้จริงๆเสร็จแล้ว เ, เราไปอยู่กับโลก มีเนินทามีสันเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสืมยอดมีสุขมีทุกจิตเราเฉยได้แล้วเดี๋ยวมันมีปัญญาได้นะมันเฉยแบบรู้ไนงะแล้วมีปัญญารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้ว่าควรจะแก้ไขเวลานี้อยู่ในฐานะอะไรเวลาอะไรกาลเทศะ บ, บุคคลอย่างนี้ดียังไงชั่วยยังไงเลือกครบยังไงไม่เลือกครบยังไงชมุมชนนี้จะอยู่ยังไงรูรนะ้ฐานะของเราอย่างเงี้ยจะไปอยู่ ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะในโลกใบนะี้รับรองได้เลยนะตกน้ำไม่หลายตกไฟไม่ไหมมันมีแต่ความดีความงามมีคุณภาพของชีวิตคุณธรรมต่างๆประสิทธิภาพต่างๆจะเกิดมาในความรู้สึกตัวที่เราฝึกแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละจังหวะนี่แหละมันจะก่อตัวจนกระทั่งเป็นพลังของมันไม่ใช่ตัวเรานะเหมือนกรมีเงินเงินก็มีค่ากับมันเองมีเงินเ๋ยวจนก็เข้ามาเองเราไม่ได้ร้องขอ มีเงินเดี๋ยวก็มีแกงต่างๆมันมาเองมีญาติมีมิตรต่างๆมันมาเองมีเงินก็เรียกว่าพี่มีมากๆก็เรียกว่าพ่อมีจนใช้ไม่หมดสารพัดก็เป็นเจ้าพ่อไปเลยมีเท่าไหร่มันก็มาเองนะปัญหาต่างๆก็มาเองเราไม่ได้ร้องขอไม่ได้เชื้อเชิญเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติกันมันก็นน จ, ะจะเกิดคุณภา พ, ค, ภาพคุณธรรมไปเองนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราแม้แต่นิดเดียว แต่เราจะได้รู้นะระบบของธรรมชาติต่างๆที่กายของเรามันมีอยู่รูปธรรมต่างๆเนะี่ยนะรูปจิตของเราที่มันมนะีมันอยู่ในแดนของปัจจุบันขณนะที่เราจะได้รู้ได้เห็นนะคุณธรรมต่างๆากุศลอกุศลต่างๆที่มันแสดงออกมาในรูปของการปรุงการแต่งแล้วความคิดนะมันจะจอดเข้ามามากมายเหลือเกินนะชอบเปรียบหลายทีแล้วนะเหมือนกับศิย์หลังเนี้ยนะจิตของเรามันเหมือนกันเลย จะรัใครมาก็ได้คนดีมาก็ได้คนไม่ดีมาก็ได้สัจสาลาสิ่งมาก็ได้ฝุ่นละอองต่างๆนะเชื้อโรคต่างๆมาก็ได้เหมือนใจของเรานะมันเป็นอย่างนั้นเปิดรับนะทุกๆนะสภาวะธรรมทีนี้บังเอิญว่านะถ้ า, าธรรมเข้ามาจิตเราก็ทุกข์นะเป็นบันทินเครื่องเศร้าหมองนะถ้าธรรมมากเข้ามาจิตเราก็สว่างสวัยนะฉลาดเฉลียวนะเป็นความสุข โดยเฉพาะท้ายสุดก็คือมันสามารถเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกายที่เราปวดนี่มันก็จริงไงที่นั่งอยู่ขณะนี้มันก็จริงไงมันเห็นจริงๆเห็นตรงๆเกิดปัญญาที่ว่ามเห็นจริงก็คือมันคือความไม่จริงท้ายสุดคือมันเห็นความคิดที่เกิดขึ้นมามันจริงไงมันจะเห็นภาพต่างๆเกิดขึ้นมาในเงาของความคิดนะจริงไงแต่มันก็เห็นเป็นไม่จริงนะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่จริงเพราะว่า มันเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไปมากมายเหลือเกินอย่างเงี้ยสนุกไงปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันง่วงน่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไป๋ยบางทีมันก็โล่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้รู้จักธรรมะทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยเพราะนั้นพร้อมเผชิญอะไรเกิดขึ้นมากระแดฝนจะตกแดดจะออกเข้าจะมีกินไม่มีกินตักพอกินไม่พอกินน้ำอยู่อยู่วันนี้ได้อาบวันพวงนี้อาจจะไม่ได้อาบก็ได้ ไม่เป็นไรได้ไม้มทาใจางี้ได้ไหมพร้อมเผชิญได้ไหมนี่แหละเบื้องต้นเลยของการที่เราจะเดินทางเข้าสู่ประตูของมรรคผลผนิพพานมรรคก็คือการเดินทางะนะผลก็คือเมื่อเดินเป็นมรรคก็ต้องมีผลปลูกมะม่วงก็ต้องได้ผลมะม่มวงกินได้เวลาลดน้ํานเดืนมันน้อยสรางความรู้สึกตัวก็เหมือนกันไนะม่ต้อง เกิดคุณธรรมต่างๆขึ้นมาเพราะเจริญสติสติก็ต้องเจริญขึ้นมาเป็นผลเมื่อมีสตินะสติทําให้เกิดศีลขึ้นมาอันนี้เป็นประมติสภาวะนะสติต้องมาก่อนจิตถึงปกติเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นศีลอย่างนี้นะแต่ศีลที่เรารับเนี่ยเป็นศีลสังคมอันนี้ศีลมาก่อนเมื่อเราคิดว่ารักษาศีลข้อไหนต้องระมัดระวังศีลข้อไหนอันนี้ศีลสังคมอันนี้ศีลมาก่อนสมมติมาก่อนเมือมีศีลแล้วก็อ่อนแลลึกได้ก็มีสติอย่างนี้นะ จากการเตือนตัวเองอย่าตอบยงเนี่ยอย่างเงี้ยนะขณะที่ฟังธรรมอย่าลุกขึ้นไปนะอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นการเตือนตัวเองให้มีศีลของชุมชนนะเพราะถ้าล่วงละเมิดก็เป็นที่รังเกียจนะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเรารู้สึกตัวแล้วเอออันนี้มันเป็นสติมาก่อนและศีลตามมาเพราะทุกครั้งที่มันรู้สึกเนี่ยนะจิตมันปกติทุกครั้งหลังจากความรู้สึกจิตจะปกติทุกครั้งเลยให้สังเกตตัวเองแล้วกัน มีอยู่สองตัวศีล ส, สังคมอันนั้นก็คือศีลมาก่อนสติแต่เวลาเราเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยสติมาก่อนศีลให้มีสติกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทํำอะไรใจทําด้วยอันนี้มันจะเกิดคุณธรรมต่างๆมากมายเพราะนั้นวันนี้เป็นวันแรกนะเราก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากขณะที่เรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะคนที่มีศีลยังไม่มาขอให้มาแล้วเราก็มีศีลมานั่งอยู่ที่นี่แล้ว พอมาถึงที่นี่แล้วเรากนะ็เจออะไรก็ตามก็ขอให้มีสุขมีสุขมีสุขเป็นสุขเป็นสุขนะผ่านตลอดความทุกข์เก่าๆนะความคิดต่อเก่าๆปัญหาเก่าๆเราก็วางไว้หัวโขนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลทํางานอะไรมาก็ตามก็ถอดหัวโขนไว้เหลือเท่ากันก็คือมีกายมีใจอย่างเง้ยนะพราะนั้นก็ขอใหนะ้เวลาที่เรามาใช้ที่วัดป่าสุกโตนะใช้กายใช้ใจใช้สถานที่เสนาสนะต่างๆสบายยะต่างๆ ก็นะขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะแล้วก็ใชนะ้รูปแบบของการปฏิบัตนะิเดินทางไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ก็ขอให้พวกเราเห็นธรรมสมควรแกร่การปฏิบัตนะิเห็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสมควรแกร่การปฏิบัตินะจนกระทั่งเหมือนกับว่าได้หลักของการปฏิบัตนะิเดินทางไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ตามคําสั่งสอนของอ ง, องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะ รู้แจ้งเห็นจริงจะจะทำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็ขอให้บังเกิดในวันชาตินี้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนท่านเตือน